เป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้แปลให้ความหมายในสิ่งต่างๆว่าโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้ไปให้ความหมายเขาแล้วก็เอาความหมายนั้นมายุ่งเกวนตัวเองเนี่ยหรือเรียกว่าเจ้าปัญหามันอยู่ที่ใจ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 ซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่ได้อีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่พึนปรารถนาเข้าในหัวใจอีกนั่นผู้เป็นศาสาราธิกนำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายใน จ, ใจิตใจจึงต้องเป็นผู้เฉียวฉลาดมากผิดธรรมดาสามัญชนทั่วไป ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนสัตว์โลกให้เขาออเข้าใจพอพอแก้ไขาตนได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าหากไม่มีความเฉลียวฉะลาดสามารถจนเต็มภูมิซึ่งควรจะแก้ปัญหาภายในพระไทยของโกองค์ได้แล้วก็ไม่ปรากฏเป็นนามศาสดาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเลยการทุ่มเทกาลังเพื่อความดี มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิจึงเป็นสิ่งที่ถึงใจอย่างยิ่งทั้งด้านปฏิปทาคือการดำเนินของพระองค์ไม่มีที่ตรงไหนว่าเป็นที่หน้าตาหิติเตียนว่าพระองค์ทรงท้อถอยอ่อนกําลังมีความเกลียดค้านอ่อนแออย่างนี้ไม่มีพูดถึงการเสียใละ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 นี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันสำคัญท่ให้เราได้พิจารณาเพื่อฝื้นภายในจิตใจของเราสิ่งที่เราต้องฝื้นนั่นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตามหลักธรรมแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของจิตเพราะไม่รู้เหมือนอย่างคนโงน่คนฉลาดจะหลอกลวงต้มตุต๋นวิธีใธไดได้ทั้งนั้นเพราะไม่ทราบกลมุบายของเขา คนฉลาดต้มถึงคนโง่ถึงต้มได่งนน่ายการทํฒสอนคนโง่สอนไดง่ายคนฉลาดมีบายกว่านี่เราเทียบกับอะไรมาเทียบกับกิเลส ท, ที่มีความแหลมคมมีความเพรียวเฉลวฉลาดกว่าเราคิดในแง่ใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากไใบ น, นำํำธรรมะเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลย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 แล้วเป็นความจริงตามที่ทรงเข้าใจด้วยเมื่อแก้สิ่งที่เป็น่าสศึกอยู่ภายในพระไทยเป็นหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นผู้หมดโทษหมดภัยไม่มี่าสศึกใดๆที่แฝงอยู่ในพระไทยของพระองค์เลยทนีป้ประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแล้วพ้นจากเครื่องผูกมัดทั้งหลายนั้นนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งด้านปฏิบัติและผลที่พงได้รับนั้นออกมาประกาศสอนโลก บรรดาศัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังมีมีผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมถึงกับรู้สิ่งที่เป็นค่าศึกอันลึกลับอยู่ภายใน จ, จิตใจของตนซึ่งถือว่าเป็นตนมา ก, ก, กี่กัดกันแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าเาท่านั้นแม้ท่านนำอุบายมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะล้วมตัวเข้าไป อยู่ในเงื้อมมือของกิเลสซึ่งเคยเชี่ยวสอน อ, อมานาถเผลอแคบเดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วเนี่ยถ้าเผลอจะทำกิเลสก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลสก็จดจ้องมองดูอยู่เฉ่นั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกันคืออยู่ในจิตดวงเดียวกันพราะฝ่าหนึ่งเผลอฝ่าหนึ่งก็ช่วยโอกาส คำว่าเผลอคืออะไรความขาดสติความขาดการใคายครวนความขาดเหตุขาดผลที่จะเลนไปในทางที่ถูกต้องลืมไปเสียแล้วทําตามาความชอบใจของตนนั่นแหละเป็นโอกาสของเิเด็กที่เข้าแทรกแล้วโดยเราไม่รู้สึกตัวจึงเป็นการยากถ้าเราจะคิดในทางยากถ้าจะกิดทางการกระทํา กว่าจะได้ผลอย่างนั้นอางนั้นต้องเป็นความยากความลำบากนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสที่ไม่อยากให้เรา ท, ทําเช่นนั้นแล้วเราก็คล้อยตามมันเสียไม่กล้าจะทําไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่ยวยกลัวจะลำบากลําบนอะกลัวอะไรตัวอะไรกลัวไปหมดเรื่องกิเลสหลอกให้กลัวกลัวไปหมดทําคือความจริงสอนไม่ไม่ค่อยเชื่อกิเลสสอนแล้วเชื่อง่ายี่เพราะอะไรเพราะในใจของเรามีแต่กิเลสทั้งนั้น ทำแทกเขาไม่ได้นูนตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วเราถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายธรรมฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายพิเลนนี่เมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วมันก็มีการต่อสู้กันมีการแยกแยะ ก, กันเพราะไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราแค่ถ่ายเดียวเรายังมีอยู่อีกอันหนึ่ง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 จมไปด้วยอำ น, นาจของกิเล SN นั้นหลักผู้มุ่งตอผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความลยากความลำบากจึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตายเรื่องเกิดเรื่องตายในเหยียบย่ำกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งทับนอนทับกันอยู่จะกลัวไปไหนความตายมันอยู่กับตัวความทุกข์ความลำบาก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 เข้าการคิดติดแนบกับความกระหายสู้กํามาลซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันค่อยผ่านพ้นไปได้โดยลําดับลําดับนั่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พยายามผิดพยายามค้นด้วยะสติปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้เื่อนาปานสติทรงกําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วทรง คิดย้อนหลังถึงขราวที่ไปเรียกนาะขวานในทรงบาเพ็ญอนาปาทิสตินั้นนำการบรมเพ็ญข้าวยังตรงพยาวนั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ทรงทาภาวนาอยู่ต้ล้มโพเจ็นได้หลักนั่นเป็นที่ยุทอนาปาทิสติละเอียดลงเพียงไหล จิตใจก็ย่อมมีความละเอียดมีความป่องใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้น่ในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าป่องใสก็ป่องใสพระกายก็อ่อนเพียเป็นที่เพราะกดพระกาหารมาตั้งสี่ถเก้าวันมาสวยในวันนั้นพระกายทุกส่วนก็ต้องเบาอยู่เหมาะสมที่สุด เพราะไม่ทับถมจิตใจและทรงบำเพ็ญถูกทางกำหนดอนณปานาสติวิลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมีความละเอียดลงไปโดยลำหนับลำหนักจิตที่ควรแก่ปัญญาเพราะอำนาจของความสงบนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนก็ทรงค้นปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัิญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญาวิญญาณแยกแยกกันไป ที่ท่านอธิบายวิชชาปยาสร้างคาลานี้หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอวิชชาหากว่าเราจะไปเรียบเรียงเรื่องอวิชชาปัจญญาสร้างคาราเยียบเรียงจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นเรื่องอวิชชาเลยอันนั้นท่านรู้แล้วท่านจึงไปเรียบเรียงท่านผู้รู้เรื่องอวิชชาผ่านพ้นอวิชชาไปแล้วพอแยบขึ้นทางท่านเข้าใจ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 รากแก่รากฝอยตัดเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งมันมีรากรเหลือแล้วต้นไม้ต้นนั้นจะทนได้อย่างไงมันก็ล้มพเนลร น, นาดลงเท่านั้นเองแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมีจํงงานวนมั่งน้อยเท่าไรมันก็ยุบยอดและตายไปด้วยกันหมดเมื่อลําต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อเนี่ที่ว่าอวิชาปัญญาสร้างขาลาอวิชาปัญญาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยรากแก่รากฝอย กิ่งก้านและขามันก็แตกออกไปอวิชาปัญญาสร้างขามสร้างขลามปัจญาวิญญาณปัญญเลือไไ่อยไปใม่มีที่จุดนี่คือมีหน้กแต่ละขอมีต้นมีลำแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบคุณทั้งหลายว่าอย่างั้นแหละมันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไปจากลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุกขแขนงมันก็ทรงตัวขมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทาลายก็ทําลายอย่างที่ว่านี้เพรต้นมันขาดจากความสืบต่อแล้วมันจะ สื่อต่อกัได้ยังไงมันตายหมดกิ่งก้ามสัขารออกมาแล้วตายหมดมีอวิชชาตะเวระเชิดสปดาคารโยธาเรื่อยเมื่อวิชานับสังขารก็ดับอนนั้นก็ดับก็ดับเรื่อยเลนี่ท่านพูดถึงว่าอาวิชชาซึ่งเป็นตัวสมุทยัยเป็นกิเลสอันสําคัญ น, นั้นดับสังขารซึ่งเป็นอวิชชาเป็นเครื่องหนุนให้เป็นกิเลสมันก็ดับเยนญานที่เป็น พาให้เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วอะไรๆที่พาให้เป็นจิเลสมันดับไปตามกันหมดพราะนี้เป็นเครื่องมือของวิชาทั้งนั้นไม่ใช่วิชาแต่เป็นเครื่องมือของมันออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางรทางกายนี้แต่ทางเดินของอวิชาสังขาราปรยาวิญญานังเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องหนุนของวิชาอาวิชาบังคับบัญชาให้ทําให้คิดให้ปรุงให้ขาดให้หมายให้สําคัญในสิ่งต่างๆนั่นมันออกมาจากอาวิชาเมื่อคน้นเข้าไปถึงตัววิชาแล้วสิ่งเหล่านี้นมันก็มีปัญหาอะไร วิชาดับสังขารจะมีเป็นอย่างไหนสังขาร น, นอกจากสังขารล้วนๆหลวดดังสังขารประาหารไม่มีอะไรเป็นเครื่องบังคับบัญชาสังขารเราทั้งหลายที่มีวิชานี้ล้วนแล้วตั้งแต่สังขารเป็นกิเลสนะ่ยมิญฉาก็เป็นกิเลสเพราะอาวิชาพาให้เป็นจะไม่เป็นได้ยังไงก็ลูกน้องของวิชาตุ้งฆ่ากันลงตรงนี้ตัดกันลงตรงนี้การพิจารณาอวิชาดังที่อเคยอธิบายมาแล้วหลักแจวหลักขลอยไปยังไงว่ากันมาเรื่อยๆมันไปติดในอะไร ไปสำคัญมั่นหมายอะไรคลี่คาดูทั้งสิ่งนั้นแล้วไปย้อนมาดูตัวผู้ไปสําคัญมั่นหมายไปคิดไปปรุมไปแต่งไปว่าดีว่าชั่วย้อนขอมาจนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวรี่โดนโควนกวาดเป็นตัวประยึ์ไปถือเพราะความไม่เข้าใจคลี่คาดูไม่เข้าใจทั้งข้างนอกให็นเข้าใจทั้งข้างในมันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขวิชาทั้งแกะอย่างนั้นดูมาวิธีต่างๆกรรมฐานตั้งแต่อนาปานาติไปเป็นต้นโดยลำดับนี่เป็นขั้น เรื่องเริ่มแรกทีจะระงับดับอวิชชาคือกิเลสทั้งหลายที่มีภายในจิตใจของตนมากน้อยทั้งนั้นการปฏิบัติเราจะไปคาดไปหมายอย่างนั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหากระเตือนถึงกันหมดการพิจารณาทำนิ้ทำนานในทางใดพิจารณาตามความตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัด ทำถูกต้องตามอริยศัยด้วยถูกต้องตามหลักทํามด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเสื่อเ อ, อิมไปพุ่งเฟ้อเอิมไปเพียงไรก็าตามเมื่อได้รับทําที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่กาเนิดเสื่อ ร, รต่อไปนี่แล้วก็เห็นผลแล้วเนี่ยวิชาสงบตัววิวาสติปัญญาจะพิจารณาเพื่อคลี่คาดู สิ่งที่จิตใจมีความคาดความหมายมีความยึดความถืออันดับแรกก็คือสักรนักายของเราเนี่ยปกหลุบผกเวทานาสัญญาสังขารมิญญาเนี่อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลืนเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆเมื่อมันมีิงมีกา้านเมื่อมันมีหน้ากแก้วลักปอยมีตัวสาคัญอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็ระบาดไปหมดนั่นแหละอันนี้ให้พิจารณาการพิจารณาภายนอกก็าตามพิจารณาภายใน ก, ก็าตามถ้าพิจารณาเพื่อ แก้ความสงสัยเป็นมรรคได้ทางนั้นคือทางดําเนินเพื่อถอดถอนกิเลสเช่นต้นสอนให้ไปอยู่ปา่าช้าไปยังไงถึงให้ไปอยู่ปา่าช้าไปเทีย่ยวป่าช้าไปเยี่ยมปา่าช้าพราะเรามาเห็นป่าช้าภายในตัวของเราต้องไปดูที่ด้านก่อนเห็นที่นั่นแล้วก็มาเทีย่เคียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าช้านี้แล้วเรื่องป่าช้าภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วเขามาดูป่าช้าภายในเมื่อเห็น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 นิสัยคนนั้นเป็นงั้นนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเราจะให้เหมือนกันไปไม่ได้หนี้ใจคนเราภาวนาเป็นอย่างนี้นิสัยท่านผู้นั้นภาวนาเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบไม่เท่านั้นเราอย่าไปยึดไปถืออำมาเป็นสัญญาอารมณ์แล้วบังคับจิตให้เป็นเช่นนั้นหากไม่เป็นไปตามความต้องการแล้วจะเกิดความดลวั้นขึ้นมาแลยการเป็นเรื่องสังสมกิเลสขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้กิเลสหรือทํากิเลสให้ระงับดับไปเป็นความผิดไป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 ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ภายในภายในนี้แล้วภายในก็เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะผู้นี้พาให้เป็นไฟใจพาให้เปนไฟใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสําหรับสัตว์และบุคคลรายหนึ่งหนึ่งการปฏิบัติศาสนาจึงต้องมุ่งลงที่ใจให้ดูอาการของจิตในวันหนึ่งหนึ่งมันมีความพลิบพลัเปลี่ยนแปลงไปในทางในบ้างดูอยู่ตรงนี้มันจะระบาดประทางกายทางวาจานั่นมันนอกไปแล้วมันเคลื่อนไหวไปจากใจนี่แหละเป็นผู้สั่งงานายคอยดูความเคลื่อนไหว วันนี้มีความเศร้าหมองไม่ค่อยสบายเป็นเพราะอะไรจึงไม่สบายน่ะค้นหาต้นเหตุเราไม่ต้องดีใจเสียใจกับมันอาการนองมันมันมียังไงมันต้องแสดงขึ้นมาเราจะบังคับไม่ให้ไม่ให้มันแสดงไม่ได้มันแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเรา ar, ดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการเศร้าหมองปัญญาของเรามีมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ว่าอันนั่นเศร้าหมองน่ะความเศร้ญญาหมองมันเป็นอันหนึ่งเราผู้มีสติปัญญาที่มีความรู้เป็นอันหนึ่งจึงสามารถทราบความเศ้าหมองนั้นได้นะ ให้ดูความเศ้าหมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก้สาเหตุที่มันเกิดความเศ้าหมองความเศ้าหมองนี่มันก็ลังงับไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนมันให้มันมีความเศ้าหมองมากขึ้นเราทำมันเศร้าหมองก็เอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นเป้าหมายการพิจารณาเราจะเศร้าหมองไปไหนเราจะดูความเศ้าหมองนี้ด้วยความมีสติถือเอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นสถานที่ทำงานกําหนดดูไม่ต้อง ดีใจเสียใจไม่ต้องตั้งความอยากให้มันดับมันดับเพรมันไปเองด้วยเหตุด้วยผลของมันมันไม่ได้ดับด้วยความอยากให้ดับมีหลักธรรมเป็นอย่างนั้นให้ดูเวลามันผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทราบมันนี่คือความปองสใยนี่เป็นอาการอันหนึ่งของจิตที่สรแสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชำระการธรรมะตระหนังจิตใจของตนผลจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความปองใ ส, ค ว, งสความผองสใยกับความท้าสุขสบายมันแยกกันไม่ออก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 ทั้งดียึดตายเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงสถานที่คนรปล่อยอ ย, ย่าปล่อยพยายามจับให้มั่นความดีจะมีมากน้อยอย่างไรความป่องใสความสงบจะมีมากน้อยอย่างไรเอาสังสมให้มีนี่แหละคือหลักของใจเป็นเครื่องยึด <S <S เมื่อถึงความสุดท้ายแล้วเรื่องความวจมริงเราจ้ะได้ทราบทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันนั่นเป็นธรรมชาติของกิตที่จะรู้กันเองปล่อยวางกันเองโดยเราไม่ต้องบังคับให้ปล่อยเมื่อถึงการปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้น ถึงวมาถึงเวลาที่ยังไม่ปล่อยไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยเราจะปล่อยไม่ได้ต้องอาศัยความดีเป็นหลักยึดจิตมีความส่องใสมีความสงบเย็นนั่นแหละเป็นหลักที่ารณใจเป็นทางที่ถูกเป็นผลอันดียึดนี้เป็นหลักไว้หากเป็นหากตายเรามีอันนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องตกใจคืออันนั้นแหละเป็นเครื่องสนัดถึงจิตให้ไปด้ยวยความผาสุกเย็นใจ <S <S อุบายของปัญญา ถือสิ่งที่มาสัมผัสถือสิ่งที่มาปรากฏเป็นเครื่องพิจารณาเช่ น, นความเศร้าหมองเป็นต้นความเศร้าหมองเป็นจริงที่เราไม่ต้องการแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดขึ้นมา ด, ด้วยสาเหตุของมันที่กว่าให้เกิดได้โดยที่เราเผลอมันรู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ไงเมี่อ <Yeah. S 1> มันปรากฏขึ้นมาเพิงทราบว่า น, นี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ต้องประเสียใจกับไหน มันมีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้มันสาเหตุของเราคือปัญญานะถ้าเราไมา่นําสาเหตุคือปัญญาไปแก้มันแม้เราจะไม่อยากให้มันเกิดเพียงไรก็ตามหรืออยากให้ดับเพียงไรก็ตามมันก็ไม่ดับดีไม่ดียังยิ่งจะกําเรบิบขึ้นไปอีกเพราะมันมีสาเหตุเป็นเครื่องหนุนกันอยู่เพราะฉะนั้มันดับไปได้ยังไงเมื่อสาเหตุหนุนถ้ามันเป็นไปอยู่มันต้องเป็นไปแล้วกาเริบขึ้นเะรื่อยๆนะที่จะดับสาเ ห, เหตุนี่คืออะไรก็คือปัญญา อ่าวมันเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้คือความสมองมันเป็นขึ้นมาได้เดพราะเหตุไรอ้าวถ้าว่าเราค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลของมันคือความสมองนี้มันจะปนไปไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้หรือขณะก่อนหน้านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรมันมาปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราเวลานี้ ปัญญาแทรกลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนั่นเป็นเป้าหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเป็นเป็นงานที่ทําไม่นานนั้นก็สลายตัวลงไปนี่พอนั้นสลายตัวลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความเบาใจปรากฏขึ้นมาแทนที่เพราะให้อะไรถึงสลายก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองหนุยที่นั่นอาการท้องผิดที่จะไป ส, ส่งเสริมให้ความสอมองเกิดขึ้นมันก็มีทางเลี่ยาะออกไปคิดไปสะสมขึ้นมาได้นั่นความ ช่องเศร้า ม, อ, มองนี่มันก็สลายตัวของมันลงไปนี่ความเศร้ามองก็ดีความปร่งใสก็ดีมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตแต่ความเศร้ามองนั้นเป็นเป็นอาการที่ทําจิตให้ชอกช้าให้ขุ่นมัวให้เป็นทุกข์ไม่ไม่ใช่ของดีจึงต้องระมัดระวังกันให้มากตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้จุดตัวก็อยไปเสียใจให้ทราบตามสาเหตุมันดังที่กล่าวมานี้จึงชื่อว่าเราเป็นนักพิจารณาดีก็พิจารณาชั่วก็พิจารณาปัญญาช้ได้ใช้ได้หมด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 มันจะตั้งหรืออะไรก็ให้มันตั้งเราจะไปปฎถนาจะไปเอาอะไรไปแทรกมันอีกให้ดูมันรูมันแต่มันสงบของมันเองเพราะใจมีต้องการสงบอยู่แล้วเป็นแต่ีค่ว่ามีเสียงรบกวนมาให้มันสงบมันตึ้งหาความสงบไม่ได้ท่องเกี่ยวอยู่ภายในขันนี่ถ้าว่าความไม่สะดวกปรากฏขึ้นภายในใจอยากคิดอ อ, งงอกไปข้างนอกอยากไปหวังโน่นหวังนี้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 คือเวทนาไม้มีได้ทั้งทางจิตและทางกายสัญญาความจำก่อนจำไปอยู่อย่างนั้นน่ะจํำอยู่ตลอดเวลาจําได้หายไปจําได้หายไปเอาสาระกานสาระมันได้ทั้งขันยินยนันมันลักษณะอาการของมันมีความเกิดความดับอยู่อย่างนั้นอาจจะไปถืออะไรกับสิ่งเหลนี้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นหินล้าปัญญาใจขอเราก็มีความโปร่งใสเพราใจไม่ใช่ขันนี้ ใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดก็ตอนเมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วทุกขันนั่นเลยเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้อย่างไงเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างไปจากใจอย่างนี้เราจะแปลว่าอันเดียวกันได้อย่างไงนี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันหน้าอย่างเป็นปากสำหรับผูู้นะครัองว่า